ใครรู้สึกว่าตัวเองมีความเข้มแข็งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมมากขึ้นกว่าเดิมยกมือขึ้นโอ้นี่คนเก่งนะเนี่ยเอายกมือยกมือเออนี้จริงจริง น, น่ถามจริงๆเอามือลงใครรู้สึกว่าเท่าเดิมโอ้ไม่น่าจะถูกไม่เลียวเนอะใครรู้สึกว่าขี้เกียจกว่าเดิม อ้ม่กายกมือเ <laughs> น, นี่ไม่ก็อยากเชื่อเท่าไหร่เนี่ย <laughs> คิดว่าไม่กล้ายกมือมากกว่า <laughs> อันนี้ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านมุงมั่นบากบันจริงๆนะกว่าที่พระองค์จะออกจากทุกข์ได้แล้วก็ออกจากทุกข์ได้จริงด้วยนะ จิตนี่บริสุทธิ์หมดจดเลยนะคือจิตที่มันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันไม่หลงอารมณ์อะของเรานี่มันยังหลงอารมณ์อยู่เวลาเห็นอะไรสวยงามอย่างเงี้ยมันก็ไปชอบแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นหลงแล้วนะเนี่ยแล้วชอบไม่ได้เลยเหรอคือถ้าหากว่าเราไม่หลงนะพอเห็นแล้วรู้ว่ามีประโยชน์นี่เอาสวยงามก็ได้แต่เราไม่หลงรู้ว่ามันสวยได้ แต่เราไม่ได้ไปหลงอะเพราะฉะนั้นเรานี่หลงง่ายมากเลยนะพอสวยปับ๊บหลงแล้วหลงว่ามันสวยแล้วก็เกิดความอยากแล้วนะที่นี่อยากได้นี่ละมันหลงแล้วมันอยากได้แล้วก็ตั้นหามันจะหลอกไอ้ตัวอยากเนี่ยมันจะหลอกว่าได้มาแล้วจะดีจะมีความสุขคนเขาจะชื่นชมคนเขาจะมองดูเราคนเขาก็จะพูดถึงเรา ชื่นชมเราว่าเรานี่ได้ของสวยงามของดีมีค่าเราก็จะเด่นขึ้นมาไปทางไหนคนก็จะพูดถึงเรานี่สิมันปรุงไปหมดแล้วมันหลงอะแต่ถ้าหากว่าเออสิ่งนั้นมันมีประโยชน์สวยก็ได้แต่เราไม่หลงถ้าอย่างนี้ไม่หลงเรีวยว่าไม่หลงนะพอเราเอาประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากความหลงแบบนี้ได้อะ หลงว่ามีตัวเราแล้วก็ทําเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อให้ตัวเรานั่นแหละมีความสุขนี่นี่มันเป็นธรรมชาติถ้าใครไม่มาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคิดดูว่าจะมีทุกไหมว่าจะมีปัญหาตลอดไปไหมแล้วถ้าเราเกิดมาอีกแล้วเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอีกอะเราจะหลงต่อไปอีกไหมหลงแล้วก็จะเป็นทุกต่อไปอีกไหม นี่มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะเนี่ยทีนี้ถ้าว่าเราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าะระยะหลังๆไม่ค่อยได้ทบทวนถึงอริยมรรคมีองค์แปดเลยนะวันนี้เราจะลองมาทบทวนดูว่าที่ว่าทางสายกลางหรือเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปอะ่ะที่เราจะมาเทียบเคียงกับการปฏิบัติของเราหรือว่าเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของเราเนี่ยว่าเราจะเข้าใจแล้วมันตรงไหม เราได้รับประโยชน์จากคำสอนของพุทเจ้าซึ่งมันเป็นหลักธรรมที่ที่เป็นบรรทัดฐานเลยนะเป็นทางเลยนะเป็นปฏิิทาเป็นทางเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความจริงเพื่อดับทุกข์ภายในจิตใจเพื่อละความลุ่มหลงเพื่อละกิเลสละตัณหาละอุปาทานเพื่อให้จิตมันรู้แจ้งความจริงทั้งหมด ที่มันมีอยู่ในธรรมชาตินี้เนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยแล้วเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถ้าใครเดินถูกทางนะถ้าจะดูง่ายๆว่ากิเลสลดลงไหมด้วยนะถ้ามาปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ามันผิดทางแหละเพราะมันหลงมันหลงมากขึ้นน่ะมันก็อยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรมากขึ้น แต่ถ้าหากว่าปฏิบัติแล้วมันมีการขัดเราตัวเองเ่ยมันรู้เท่าทันอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นอะไรไม่จําเป็นอะ่ะมันอยากขนาดไหนเราก็ไม่เอาหรือมันเป็นส่วนเกินอย่างนี้ยบางทีได้มาแล้วบางทีมันเป็นโทษ ด, ด้วยบางอย่างาเรายิ่งไปหลงยึดติดข้องมันก็ยิ่งสร้างปัญหาให้แก่เราเองเพราะฉะนั้นคําว่าทางสายกลางหรือว่าอริยมรตมีองค์8เนี่ย เราจะมาทบทวนดูว่าองค์แรกเลยนะคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันแบ่งเป็นสองระดับระดับแรกเลยเขาเรียกว่าระดับโลกียะระดับที่เราอยู่ในโลกเรานี่ลหละแล้วมันมีความเห็นถูกเห็นตรงยังไงอย่างสมมติว่าเราเชื่อว่าทุกอย่างมันมาจากเหตุมันมีเหตุอะผลต้องมาจากเหตุ เพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเวลามันมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเนี่ยเจอคนเขานินทาว่าร้ายเราตําหนิติเตียนเราเอารัดเอาเปียบเรากานแกล้งเราถ้าหากว่าเราเรายอมรับแต่เรามีสัมมาทิฏฐิเราต้องรู้ว่าเนี่ยอันนี้มันต้องมาจากเหตุมันต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุในปัจจุบันก็เหตุในอดีตอ่ามันอดีตเหตุมันส่งผลมาปัจจุบัน ถ้าเหตุมันไม่ดีผลก็จะไม่ดีด้วยถ้าเหตุมันมาดีผลก็ดีอันนี้คือเรียกว่าเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมอันนี้เป็นหลักธรรมที่สำคัญเรียกว่าถ้าหากว่าประมวลสัมมาทิฏฐิเข้ามาเนี่ยก็คือเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมนี่เองเชื่อในเรื่องของการกระทาเชื่อในเรื่องของเหตุมีเหตุจริงมีผล บางคนก็เอาอยู่สุขสบายอาหารการกินก็เยอะแยะไปหมดเลยบางทีก็สามารถที่จะเลือกไปรับประทานอาหารที่ไหนดีดได้นั่นก็คืออำนาจของกรรมดีที่เขาทำบุญที่เขาทำมันให้ผลนะ่ก็สามารถที่จะได้วิบากที่มันเกิดขึ้นคือผลที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็ทำให้เราอยู่สุขสบายมีอาหารการกินมีเครื่องอำนวยความสะดวกมีบ้านอยู่สุขสบาย ก็เป็นผลจากกรรมเราหมดอ่ะมันจึงมีทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมไม่ดีมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำกรรมดีแต่กรรมดีนี่นะมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้พ้นไปจากกรรมอันนี้ระดับโลกิยารวมทั้งสัมมาทิฏฐิที่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าสอนให้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ย มีกายกับใจแต่ก่อนนี่ไม่รู้เลยนะแต่มาก็ไม่รู้นะว่าเออตัวเรามีกายกับใจมันคือเห็นเป็นเราภาพองค์รวมไปเลยอะ่ะเห็นเราเป็นรูปเป็นล่างเดินไปเดินมาเห็นคนนั้นคนเนี้มันไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอ๋อมันมีกายกับใจอะจนได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามีพระอธิบายบางทีก็คลาวาดนี่แหละอธิบายฟังอ๋อเข้าใจขึ้นมา แต่ก็ยังไม่ได้เห็นด้วยนะยังไม่ได้เห็นเพราะนั้นขั้นที่ยอมรับขั้นยอมรับคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาเนี่ยเชื่อตามพระพุทธเจ้าก็เป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันหรือว่าแยกกายกับจิตเนี่ยก็แยกออกมาว่ามีกายมีรูปเป็นรูปประขันกายก็มีเวทนาทางกายเป็นเวทนาขันเวทนาทางจิตก็เรียกว่าเวทนาขันเหมือนกันมีเวทนามีสัญญา มีสังขารมีวิญญาณแยกมาฟังอ่านาำอธิบายแต่ไม่เคยเห็นเนี่ยคือสังเกตไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติแต่ท่องจําได้แล้วรู้เข้าใจเข้าใจตามที่เราได้ศึกษามาขั้นนี้ก็ยังอยู่ในขั้นสัมมาทิฏฐิรวมทั้งขั้นที่ว่าเอออะไรเกิดแล้วก็ต้องดับนะเกิดตามเหตุตามปัจจัยปฏิจสมุบาทมามีเหตุปั๊บ ตากระทบรูปภาพต้องมีวิญญาณไปรับรู้อารมณ์สมอย่างนี้เรียกว่าผัสสะถ้ามีหูก็ต้องมีเสียงกระทบเข้ามากระทบวิญญาณก็ไปรับรู้ตัวจิตนี่แหละเวลามันไปรู้อารมณ์มันไปเรียกว่าวิญญาณมันก็เลยกลายเป็นวิญญาณนักขันวิญญาณหแต่วิญญาณที่พาเรามาเกิดนั้นเขาเรียกปฏิสนธิวิญญาณคนละอย่างกับวิญญาณหกนะมันคนละขั้นตอน ตอนที่มันพาเรามาเกิดเวียนว่ายตายเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณแต่พอเกิดแล้วเวลามันจะกระทบอารมณ์หรือเวลาจะใช้กรรมมันต้องมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหทางเท่านั้นล่ะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยเวลาตัณหามันเกิดเนี่ยเนี่ยมันก็เกิด6กทางนี่แหละเวลามันจะเข้ามาถ้าจะขยายออกไปมันก็ยาวนืยืดยาวเราเอาเราเอารวบลัดมาที่จิตนะว่ามันกระทบอารมณ์แล้วก็คือจิตมันหลง มีเราแล้วมันก็มีทำมันจะต้องการเพื่อตัวเราอ่ะมันก็เกิดความอยากขึ้นมาพ้าหาว่ามันไม่พอใจมันก็ต้องการให้มันกับไปพอเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องให้จิตของเราเข้าไปเห็นพอเห็นนี่บางทีไอ้เวลาเราเห็นเนี่ยบางทีเราไม่รู้คําอธิบายแต่ว่าเวลามันเห็นนะมันเห็นว่าไม่ใช่เราไปเลยอ่ะบางทีไม่ได้เรียนปริยัตไม่รู้หรอกแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่จิตอ่ะจิตมันมองเห็นน่ะ แล้วถ้ามันไม่เห็นมันแยกไม่ออกบางทีมันก็มีผลต่อจิตเราเกิดน้ำหนักขึ้นในจิตใ จ, ใจของเราจิตก็เลยเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เพราะฉะนั้นขั้นที่มองที่ยอมรับความจริงเชื่อตามคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมหรือว่าเชื่อความจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าจิตของเรายังไม่ได้หยั่งเข้าไปเห็นเนี่ยอันนี้ยังอยู่ในขั้นโลกิยะแต่ขั้นที่เราแยกขันธ์ห้าออมาได้เนี่ย ยังชอบใจท่านประยุทธ์ท่านใช้ศัพท์คําว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระเออยังเป็นแนวโลกุตะระคล้ายๆก็ว่ายอมรับความจริงขั้นที่ว่าขันห้าไม่ใช่เราเนี่ยมันเป็นแนวโลกุตระไอขันอันหนึ่งเนี่ยแนวโลกียะเนี่ยคล้ายๆว่าเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยอยากทํากรรมดีไม่ทํากรรมชั่วมันทําให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกมีความสุขความสบาย และอยู่กันด้วยความสงบร่มเย็นหลักใหญ่มันก็คือหลักเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยมันก็มาจากการที่เราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ขั้นโลกิยะขั้นดําเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขเนี่ยมันจึงอาศัยคําสอนของพระพุทธเจา้าเกิดความเข้าใจขึ้นมาไม่งั้นเราจะไม่รู้เรื่องเลยนะเป็นเราร้อยเปอร์เซต์เลยนะไม่สามารถที่จะไปรู้เหตุรู้ผลอะไรเลย ทีนี้ถ้าเป็นคำอธิบายนะไอ้สัมมาทิฏฐิเนี่ยแนวโลกุตละเนี่ยท่านก็บอกว่าคือไม่รู้ในิยัสสีถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าสัมมาทิฏฐิก็คือมารู้ว่านี่คือทุกนี่คือเหตุแห่งทุกนี่คือความดับทุก์นี่คือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกจะอธิบายอย่างนี้ทุกทีไปทีนี้ที่มันทุกเนี่ยทุกนี่มันก็คือว่า ขันห้าเรานี่แหละเพราะมันมาหลงขันห้าเพราะว่าว่าโดยย่อประทานในขันทั้งห้าคือตัวทุกมันก็เลยต้องพยายามที่จะมาปฏิบัติเพื่อให้จิตเราเห็นขันห้าเห็นขันห้าว่าไม่ใช่เราทีนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็เลยต้องพยายามหาทางให้จิตมันเห็นทุกเห็นทุกในทีนี้เป็นทุกที่ว่ามันไม่มีเราอะความว่างเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือมันเปลี่ยนแปลงมันทนอยู่ได้ยาก มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นพวกนี้เรียกว่าเป็นสภาวะทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้จิตมันจะไม่หลงว่ามันเป็นเราเป็นของเราอ่ะเพราะมันเห็นอยู่ว่าไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเรามาดูร่างกายก็ถ้าใครมีจิตเป็นกลางแล้วเป็นกลางแล้วก็เอามาสัมผัสดูอ่ะกายก็เป็นอันหนึ่งจิตก็เป็นอันหนึ่งนี่นี้อันนี้เรียกว่ามันขั้นที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ที่มันละเอียดขึ้นมาแล้วที่มันแนวโลกุตระที่สูงขึ้นมาอีกคือมันยังไม่สามารถบรรลุโลกุตระได้เราจรึงเรียกว่าแนวโลกุตระหรือว่าวิปัสสนาสมาธิฏิเป็นสัมาธิฏฐิที่มันเกิดจากการเห็นพแตหลักหรือการเห็นความจริงวิปัสสนาเนี่ยมันมันเห็นความจริงเห็นความจริงเห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้ะต้องเห็นบ่อยๆด้วยนะ บางทีบางคนเห็นนิดๆหน่อยๆแล้วมาสรุปเอาเลยอะ่ะเือมีความรู้บ้างอะไรบ้างตัวเองก็อยากจะมีธรรมะอยากให้รู้สึกว่าเออมันมีธรรมะพอเห็นโอ้มันไม่ไม่ใช่เราเป็นอย่างนี้เองแต่ว่าจิตมันยังรักกิเลสไม่ได้มันยังไม่ได้ประหารมักยังไม่เกิดก็แสดงว่าเห็นแล้วมันไม่พอเห็นถูกอยู่พูดได้อยู่แต่ว่าจิตมันยังไม่เป็นจิตไม่ถึงขั้น อันนี้ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็บางทียังไม่ได้ขั้นไม่ได้ภูมิอะไรไงก็อยากจะให้มันได้ขั้นได้ภูมอะมันอยากอะ่ะมันอยากได้อะ่ะก็พยายามที่จะหาเหตุหาผลหาคนมารับรองอะ่ะว่าใช่หรือเปล่าอันเนี้ยใช่โสดาบันไหมมันก็เยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเราเข้าใจอะ่ะมันไม่จําเป็นอะ่ะขออย่างเดียวว่าให้จิตเราเนี่ยทุกน้อยลงไปอะ่ะถ้าตั้งใจอย่างนี้มันก็จะมุ่งมาปฏิบัติแล้วก็มาแก้ปัญหาในจิตใจของเรา เพราะฉะนั้นเราสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจึงต้องการเห็นความจริงว่าขันห้าเนี้ยมันเป็นแค่ธรรมชาติเท่านั้นเองไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้พูดภาพรวมเพราะว่าเราต้องการที่จะพูดในแง่มุมของการปฏิบัติอะ่ะถ้ามันได้เห็นอย่างนี้นะได้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบ้างเนี่ยมันก็จะเห็นพอเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ย ไอ้สัมมาสังกปร์เนี่ยมันก็อยากจะละเลยนะพอมันเป็นทุกข์อ่ะพอมีตัวตนปับ๊บมันจะรู้สึกว่ามันมีอาการเป็นทุกข์ขึ้นมาในจิตอะ่ะมีน้ำหนักขึ้นในจิตอะ่ะแต่ถ้ามันได้ละได้ปล่อยได้วางได้มันเบาทันทีโล่งโปร่งเลยเพอในั้นสัมมาสังกปร์เนี่ยมันจริงถ้าเป็นเกี่ยวกับอริยมรรคแล้วเนี่ยมันไม่เอาเลยมันปล่อยเลยอะ่ะแต่ถ้าเขามาอธิบายสัมมาสังกปร์ออกจากกามอย่างเงี้ยละพยาบาท ละความเบียดเบียนอันนี้มันก็ขั้นต้นขั้นต้นๆขั้นทําความเข้าใจอ่ะในเวลาในแง่มุมของการปฏิบัติเวลามักมันมีกําลังปั๊บเวลามันไปยึดอะไรปั๊บมันเป็นทุกข์อ่ะท่าว่าจิตมันเห็นแล้วมันวางคือจิตเนี่ยพอมันเห็นทุกข์ปั๊บมันดูไปดูไปจิตมันมีกําลังขึ้นมาแล้วมันเหมือนกัำหดตัวนะเหมือนมันถอยถอยถอยถอยมาอยู่กับจิตอ่ะคือจิตไม่ส่งกระแสออกไปยึดอ่ะ โอ้มันแตกต่างกันเลยนะเปรียบเทียบได้โอ้มันก็อยากปล่อยอยากวางอ่ะพอมัปล่อยวางแล้วมันเห็นมันมันมีความเป็นอิสระมันสุขมันสบายมันเลยไม่อยากยึดเพราะผลถ้าให้ปฏิบัติเนี่ยจิตมันไม่รู้วิธีปล่อยวางหรอกเพราะนั้นจิตของพระรหันเนี่ยท่านเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าหาว่ามันรู้สึกว่าเออจิตเราเนี่ยมันเริ่มที่จะไปเกี่ยวข้องอะไรต่ออะไรแล้วเรื่องราวเหล่านั้นมันเริ่มมันลุ่มๆหน่อยอ่ะถ้าาว่าท่านปั๊บเข้าไปเนี่ยท่านจะต้องรีบถอยจิตปั๊บ ปั๊บๆเหมือนเอาจิตกลับเข้ามาคือท่านฝึกมันชำนาญแล้วท่านก็สามารถที่จะเหมือนกระดึงจิตตัวเองกลับเข้ามาเหมือนหดตัวเอาจิตหดตัวเข้ามาคือมันเข้าใจแล้ววิธีมันรู้ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอ้พวกนั้นอ่ะเป็นเพราะจิตของเราส่งกระแสออกไปเองไปเกี่ยวข้องท่านอยากพักอยากสุกอยากสบายของท่านเต็มที่ท่านก็ต้องเอาจิตหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาปั๊บมันมีกําลังมันก็อยู่เฉยๆไม่มีอะไรเลย รวมทั้งจิตของท่านเนี่ยมันไม่ยึดแล้วเนี่ยว่าจิตเป็นของท่านเป็นตัวเองเ่ยก็สักแต่ว่าธรรมชาติอันหนึ่งมันก็เลยสบายที่สุดเลยเรื่องของโลกก็อยู่ไปอะไรเป็นอะไรก็เป็นไปแต่มันจิตมันไม่ออกไปยุ่งนี่มันจึงแตกต่างจากกจิตของคนทั่วไปคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโสดาศกิธาณาคาก็ตามจิตของพระอรหนเนี่ยมันเข้าไปถึงที่สุดของมันมันก็เข้าใจว่าผู้ ย, ายาิ่งากก็เนี่ยพระไทยของพง ก, ก็ไม่ยึดไปติดไม่ข้องอะไรเลยอะ่ะมันเป็นอิสระเต็มที่ มันเลยไม่ต้องมีทุกข์กับอะไรมันวางแต่เมื่อออกมาต้องเกี่ยวข้องเหมือนเมื่อถ้ากำลังมันมันเริ่มอ่อนลงไปอ่ะเกี่ยวข้องมันก็ต้องมีนู่นมีนี่ต้องคิดต้องใช้กําลังของจิตบางทีเรื่องราวมันก็ทำให้จิตเรื่องเรามันต้องกดคิดไปไม่ได้มันก็มีคิดมีนั่นมีนี่บ้างคล้ายๆมันไปทํางานไม่ได้ยึดความคิดหรอกแต่ว่าไอ้จิตนี่มันเหมือนกับมันจุกจิกอ่ะมันต้องมีนู่นมีนี่อยู่อ่ะกับการที่มันเอาจิตปั๊บหดตัวตึ๊บๆเข้ามาแล้ววางหมด ไม่มีอะไรค้างคาอยู่ในใจเลยเรื่องการเรื่องกับคนก็อยู่ของเขาไปไม่ว่าจะใกล้ชิดสนิทสนมกันอะเขาก็อยู่ของเขาไปอะ่ะเรื่องเราอะไรก็ช่างเขาจะนินทาว่าอะายก็เรื่องของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับเรานี่นะาเพราะจิตของเขาอยู่ระดับไหนเขาก็ทําไปตามระดับของเขามันจะไปยึดให้เป็นทุกข์ให้เกิดความโง่ขึ้นมาไม่ได้มันจึงไม่โง่แล้วก็ไม่หลงไม่เอาเรื่องเล่าอะไรมาให้เป็นทุกข์เด็ดขาดนี่จึงว่ามันไม่มีทุกข์อ่ะพอไม่มีทุกข์มันก็สบายสิ ก็เห็นว่าโอ๊ยเนี่ยธรรมะของระเจ้านี่มันก็เสถีย จ, จริงๆอะแล้วใครว่าอะไรดีก็ดีไปสิเพราะมันยังมีทุกข์อยู่ะมันดีพิเศษได้ยังไงอะแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็เอาทําไมเห็นเก่ตัวล่ะตัดช่องน้อยพอตัวเหรอล่ะลจะให้ทํำยังไงอะก็โลกมันเป็นอย่างนี้อะเขาเข้าใจโลกแล้วอะ่ะมันวางแล้วอะ่ะแล้วจะไปทุกข์ให้โง่ทําไมล่ะแต่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องอยู่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปแต่ทําแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์จะว่าตัดช่องน้อยพอตัวได้ยังไง ก็คนไม่ปฏิบัติไม่รู้เรื่องก็พูดไปเนี่ย ก, ก็เรื่องของเขาไปบางทีมันพูดแล้วคนก็ฟังไม่ได้ก็ไม่พูดมันก็รู้ของมันเองอะ่ะว่ า, าไม่ไม่ต้องพูดก็ได้ก็พูดกับคนที่เขาสนใจพพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนี่องค์ก็ตรวจสอบดูอ๋อหรอมันต้องเป็นคนมีปัญญาก็เรียกว่ามีบุญมีบรารมีไงเวเนยศัตว์ทุลีในดวงตาน้อยก็เลยมีเป็นกลุ่มเฉพาะอย่างพวกเราเนี่ย มีความสนใจไม่ใช่ว่าไม่เคยทํามานะโอ้โหมันทำมามากมายนะถึงจะมาถึงระดับนี้ได้นะแต่นึกมากไม้ขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีความเพียรไม่ได้อีกดูแต่พระโมคคัละนะส า, ารีบุตรหรือพระพุทธเจ้าก็ตามพระองค์จะตัดสรุชาติปัจจุบันเพียรยิ่งเพียรมากเต็มที่คนที่บารมียิ่งใหญ่จะตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งต้องเพียรมากสละแม้กระทั่งชีวิตนะจึงตัดสรุรมได้ธรรมม า, มาวันที่จะบรรลุธรรม จำนวนเขากัเราก็จําไม่ได้เราจําจํานวนของเราแม้เนื้อเลือดเจืเงเอือดแห้งเดือดต่หนังเอ็นหุ้มกระดูกก็ตามถ้าไม่บรรลุธรรมด้วยกําลังของลูกผู้ชายอย่างเราเราจะไม่ลุกจากบันหลังบันลังในนี้หมายถึงที่นั่งแต่ว่ามันเป็นสํานวนเป็นสํานวนของการปฏิบัติ่คนปฏิบัติเขาเรียกแต่ละครั้งที่เรานั่งเขาเรียกว่าหนึ่งบันลังหนึ่งบันลังเราจะไม่ลุกจากการนั่งครั้งนี้ปุณณ์นี้ดูสิมันต้องอาศัยความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวคนที่จะไม่มีทุกข์ในใจต้องเข้มแข็ง เวลาไหนที่เราเป็นทุกข์แสดงว่าจิตอ่อนแออ่อนแอก็คือเราไปยึดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือมันไม่ได้ดั่งใจเราคือเราอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการมีเราหมดเลยก็ไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นอย่างที่เราคิดเพราะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็อารมณ์ต่างๆก็ถาโถมเข้ามาเลยน้อยเนื้อต่าใจมีความเสีย อ, อกเสียใจเสียใจมากๆน้อยเนื้อต่าใจมากๆก็เศร้าโศกเสียใจความซึมเศร้าก็ตามมาอีก ซึมซ้ำแล้วก็พอใจด้วยนะอยากทําตัวให้ซึมเศร้าเข้าไปมันจะได้สะสมใจใคล้ายๆอย่างนั้นนะมันนักเข้าไปมันก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่สิมันทุกข์มากอ่ะหาทางออกนี่แหละที่ฆ่าตัวตายอะไรอย่างนั้นนะก็คือมันเนี่ยแหละมันควบคุมจิตไม่ได้เพราะไม่ปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของเจ้าโอ้ยมันละทันทีเลยนะอารมณ์อะไรก็ตามเถอะถ้ามาทําให้จิตเป็นทุกข์ปั๊บมันไม่เอาแล้วแต่มันต้องปฏิบัติตเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ย ถ้าแนวโลกุตระก็คือมันต้องมาเห็นขันหานี้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็เห็นเด็ดขาดลงไปอย่างนี้อันนั้นน่ะเป็นโลกุตระสมาธิแล้วแต่มันจะเกิดพร้อมกับมรรคองค์อื่นนะเนี่ยเวลามันจะเกิดเนี่ยเพราะฉนั้นมรรคนี่บางทีมันพูดเป็นหลายในนะถ้าพูดถึงอริยมรรคในองค์มรรคจริงๆร่ยในมรรคจิตเนี่ยหมายถึงว่ามันหม่อนมันบรรลุธรรมนั่นต่อที่เป็นโลกุตระธรรมมันจึงเกิดพร้อมกันเลยเรือยยสัตสีโดยเฉพาะแยสัตสีนี่จะพูดเฉพาะตอนที่มันบรรลุ มันจริงเห็นอายาสัตวสีเพราะนั้นเวลาพระเจ้าจะแสดงทำเรื่องอายาสัตวสีพวกรู้ว่าคนนั้นต้องบรรลุดูสิลึกซึ้งมากเลยนะแต่เราเนี่ยเอามาพยายามที่อธิบายให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจหรือว่าเห็นช่องทางที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็เอามาอนุโลมพูดแยกพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะเราต้องการที่จะมาอธิบายมาพูด ให้คนฟังเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามได้พูดพอให้ปฏิบัติตามได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คืออธิบายสัมมาทิฏฐิเนี่ยเอาเอาเป็นว่าถ้ายังไม่บรรลุโลกุตละมักก็เป็นแนวโลกิยะไปก่อนเป็นโลกิยะแต่โลกิยะในแนวโลกุตระมันก็คือมาพยายามที่จะให้เห็นขันห่าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่องเหล่านี้เพราะว่าโดยย่อประทานในขันห่าคือตัวทุกเนี่ยเราจะเห็นทุกเราต้องมาเห็นว่าขันห่าไม่ใช่เรา ที่มันเป็นเราเพราะความหลงเพราะเรามีอุปทานทีนี้ถ้าไม่ปฏิบัตินี่มันเป็นเราเหนียวแน่นมากเลยนะมันไม่มีทางเห็นได้เลยนะศึกษาขนาดไหนรู้อาการของมันรู้ชื่อของมันขนาดไหนมันก็ปล่อยไม่ได้เลยนะแต่ถึงรู้ชื่อหรือไม่รู้ชื่อก็ตามแต่ถ้ามันเห็นเฉพาะหน้าไม่ใช่ของเรามันจะวางของมันเองนี่ตัวจิตเนี่ยมันจริงจําเป็นต้องเห็นแล้วก็ต้องมีสัมมาทิฐิระดับต้นก่อนว่าเออไม่ใช่ของเราจริงนี่เชื่อตามพระเจ้าไป จากนั้นก็พิสูจน์ปฏิบัติให้มันเห็นจริงมันจึงเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตนะมันไม่ใช่ว่าเป็นอะไรปัจยาอะไรนะมันไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตต้องปฏิบัติตามพระโพธิเจ้าแล้วพิสูจน์ได้ทันทีใครปฏิบัติทีนี้มันก็จะเป็นทางเดียวกันอาจจะต่างกันรายละเอียดเล็กน้อยแต่เวลามันบรรลุธรรมเนี่ยมันถึงอริยมรรคเนี่ยมันจะพูดออกมาแล้วมันจะสือออกมาแบบ มันจะแตกต่างจากคําพูดแบบอื่นๆทันทีเลยนะระดับต้นมันก็จะเป็นไปตามเนี่ยขั้นตอนของระดับต้นขั้นต้นโสดาสกิทาขั้นกลางอนาคามีอ่าสุดท้ายพระลานมันก็จะมีอะไรที่มันตรงกันอยู่เพราะนั้นมันจริงพอรับรองกันได้ถ้าหากว่าสื่อสารกันแล้วมันตรงบางทีมันพูดมามันเวลามันเห็นน่ยในจิตเนี่ยพูดออกมามันแตกต่างกันบางทีมันก็มันจะสรุป มันบางทีมันก็ยังสรุปไม่ได้เพราะคนพูดเนี่ยบางทีมันสื่อออกมามันใช้สมมติไม่ค่อยเหมือนกันบางทีเนี่ยมันจึงต้องได้สอบสวนกันละเอียดรวมทั้งต้องมีพฤติกรรมอะไรที่มันต้องมีรายละเอียดสอบสวนที่มันพอที่จะรับรองกันได้ก็มีช่องทางอยู่ส่วนไอ้แน่ชัดจริงๆนั่นต้องหมายถึงพระพุทธเจ้าแหละแต่ในปัจจุบันนี้มันก็พอที่จะอนุโลมพูดถึงกันได้อย่างถ้าหาว่าถามว่านี่เรามาบ้านไทยเนี่ย แล้วก็มาฟังธรรมตอนกลางคืนน่ะอาจารย์ขันชิตนะนั่งตรงไหนชั่วยอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะรู้ขึ้นมาในจิตของเราเลยนั่งตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นพูดได้เพราะมันเห็นน่ะถ้าไม่เห็นน่ะพูดไม่ได้คนที่ไม่เคยมาอย่างเงี้ยเขาก็จะนึกขึ้นมาได้เ อ, อาจจะพูดเป็นรวมๆอยู่บนบ้านแล้วบนบ้านตรงไหนก็บอกไม่ถูกเพราะว่ามันไม่มาเห็นสมาธิเนี่ยถ้ามีสมาธิิแล้วสมาสังกับปะมันก็จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของมรรคแล้วจิตต้องเห็นต้องเห็นด้วยนะถ้าไม่เห็นนี่ไม่ได้อ่ะมันเป็นหลงกรรมมันไปปรุงแต่งเรื่องอะไรเพราะความหลงทั้งหมดถ้าไม่หลงอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระลาหนเนี่ยท่านไม่ปรุงแต่งเวลาจิตมันมีอาการเข้าไปเหมือนกับมันไปเกี่ยวข้องอ่ะมันไปเกี่ยวข้องมันมันรู้สึกว่าไอ้เรื่องราวเหล่านั้นน่ะมันยังไม่ดับอ่ะมันมีมันมีอาการ ให้ให้รู้สึกว่าละคายนิดนิดแต่มันไม่ถึงจิตหรอกแต่มันรู้สึกว่ามันไม่สบายอยู่ในตัวเองอ่ะเพราะอารมณ์มันไม่ละเอียดเหมือนไปเกี่ยวข้องแล้วมันไอ้เรื่องราวเหล่านั้นอ่ะมันทําให้กําลังดึงดูดไอ้กำลังของจิตเราเนี่ยมันลดลงไปท่านก็จะดึงจิตกลับเข้ามาก็ไม่ได้ใจขึ้นอยู่กับว่าเออท่านชํานาญไม่ชํานาญถ้าท่านชำนาญท่านก็แค่ปรลอบจิตคือมันมันพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปนั่งเพ่งเล็งอะไรอ่ะ แค่บอกจิตว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มช า, างทีจิตมันก็หดตัวเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็วางเฉยมันก็ออกมาใหม่ทําได้ใหม่ก็แล้วแต่อุบายวิธีการว่าจะเข้าไปถึงจุดที่มันไม่มีอะไรได้ยังไงแต่มันต้องไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้แน่นอนจิตต้องเป็นอิสระจิตมันก็เบิกบานตื่นรู้เบิกบานไม่ต้องไปถามใครเป็นอยู่ในจิตเนี่ยแล้วก็ไม่หลงยึดว่าจิตเป็นเราด้วย มันก็เป็นของมันเองอะธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองนี่พอมันมันเห็นเหมือนกันแหะมันก็เลยเข้าใจอะคนที่มาถึงตรงนี้ต้องเป็นแบบนี้แหละมันไม่เอาอะไรมาให้เป็นทุกข์ได้หรอกถ้ามันยังไม่ละเอียดพอบางทีก็มีเหมือนกันนะถ้าใหม่ๆเนี่นะตอนใหม่ๆเราก็ยังมีอากาศร้อนรอยู่บางนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไปยึดไปติดอะไรนะแต่ว่าไอารมณ์มันยังไม่ละเอียดอะมันวางคล้ายๆกับไอ้ความรวดเร็วของจิตอะอริยมรรคเ่ยที่มันผลของมันเนี่ยมันยังไม่ละเอียดพอ เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าสมมีกองไฟกองไฟเอาน้ําไปลดปับ๊บมันดับหมดแล้วแต่อาอุ่นมันยังมีอยู่มันยังอุ่นอุบางทีเราไปเหยียบเหยียบมันยังอุ่นอยู่แต่ไฟมันดับแล้วต่อมาไอ้ไอ้อุ่นนัก็เย็นลงเย็นลงเย็นลงจนไม่มีไออะไรเลยเย็นสนิทเลยนี่มันมันก็คล้ายๆ เ, เปรียบเทียบแบบนี้ไอ้จิตเนี่ยมันค่อยละเอียดลงไปแม้การปฏิบัติก็เหมือนกันก็มีคนวันนี้ก็มาถามเหมือนกันว่า เขาเนี่ยก็ดูขันห้าละหรือว่าดูกายดูจิตดูเวทนาอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่ามันเจริญก้าวหน้าขึ้นอยากรู้ความเจริญก้าวหน้าก็บอกต้องปฏิบัติไปมันจะค่อยละเอียดลงไปเรื่อยๆคือมันมันหนีการปฏิบัติไม่ได้บางทีก็ถ้าจิตมันยังหยาบอยู่มันยังไม่ละเอียดพอ่อมีมีโยมมาบอกว่า เ, ออเวลาเสียงดังๆปึ้งขึ้นมาเนี่ยมันเห็นชัดเห็นอาการของจิตชัดเจน มีอาการตกใจมีอาการที่มีผลต่อร่างกายเนี่ยเวลาเสียงดังตึ้งมันก็ตึบขึ้นมาในจิตแต่จิตที่มันฝึกมันก็เห็นตอนแรกก็ตกใจต่อมาไม่ตกใจแต่เวลาปกติถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันไม่เห็นนี่แต่เวลาเราปฏิบัติมันเห็นแล้วเวลาอารมณ์ละเอียดทำํำไมมันไม่เห็นก็มันยังไม่ละเอียดพอนี่คือจิตยังไม่ละเอียดพอมันจะยังไม่เห็นอารมณ์ที่ละเอียด จนกว่าอารมณ์หยาบหยาบนี้ค่อยหมดไปหลุดไปหลุดไปคราวนี้มันจะเจาะละเอียดเข้าไปเรื่อยเลยนะที่นี่รับรองเลยทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตของคนทําให้คนเป็นทุกข์นี่เห็นหมดล่ะไม่งั้นมันดับไม่ได้หรอกมันเห็นหมดอาการมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงไม่เป็นกิเลสก็ตามว่าอาการอะไรเป็นยังไงมีผลต่อจิตยังไงมันเห็นน่ะมันเห็นก็วางไปวางไปบางอย่างนี่ไม่มีกิเลสแต่มันต้องเห็นถ้าไม่เห็นนี่มันก็จิตมันก็เออมันคืออะไรนะเนี่ยฮะ มันไม่ใช่กิเลตอ่ะแต่ว่ามันมันคล้ายๆกับมันเป็นปฏิยาของจิตอ่ะมันก็ยังมีอยู่นะอยังไงนะเนี่ยแต่พอเขาไปเห็นแล้วโออย่างงี้เองก็เฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรแต่เออมันอะไรนะถึงไม่รู้ก็ตามมันก็ไม่ทุกอ่ะเนี่ยจิตที่มันมันฝึกแล้วเนี่ยมันจะไม่เอาอะไรมาเป็นทุกถ้าหาว่ามันหมดทุกมันก็คือหมดจริงๆทีนี้จะหมดทุกได้ก็อริยมรคมีองค์แปเริ่มด้วยสามาทิติ จึงว่าสัมาทิที่โลกุตระจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมาเห็นขันห้าเห็นขันห่าว่าเป็นทุกข์นี่เห็นทุกข์ก็คือเห็นขันห่าว่าไม่ใช่เราก็คือเห็นความว่างเปล่าไม่มีตัวตนมันเลยเป็นอันเดียวกันนที่นี้เพราะมันแค่เห็นเนี่ยอาการของมันเนี่ยเห็นว่ามันเกิดดับคือมันเป็นแค่กระแสความเกิดดับทีนี้ถ้าปฏิบัติยังไม่ถึงยังไม่เห็นความเกิดดับฟังก็ไม่เข้าใจทีนี้นี่มันก็เลยเวลาแสดงธรรมเนมันลําบากมันจึงพูดเฉพาะกลุ่มที่ตั้งใจปฏิบัติ เราตั้งใจปฏิบัติแล้วถ้าจิตมันถูกเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะฟังธรร ม, มะประเภทลึกซึ้งนี้เข้าใจเพราะไม่มีทางอื่นจําเป็นจะต้องปฏิบัติจเจริญสติเพราะฉนั้นสติเบื้องต้นนี่สําคัญที่สุดมันก็ต้องมาควบคุมจิตให้ได้แล้วบางคนเขาเคยได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติเขาไม่ต้องปฏิบัติอะไรมากมายรู้กายรู้ใจไปเราก็บอกว่าเออถ้าหาว่าจิตมันมันไม่มีกําลังอะ่ะมันไม่ตั้งมั่นอะ่ะมันไม่สามารถไปรู้กายรู้ใจได้เหมือนจะไปตัดต้นไม้อ ย, อย่างเงี้ย บอกว่าเอ้ก็ยกมีดเอามือนี่จับมีดยกขึ้นมาแล้วก็ฟันฟันฟันมันยังไม่ขาดก็ฟันต่อไปฟันต่อไปจนกว่ามันจะขาดขามันก็ล้มลงต้นไม้ก็โค่นลงไปทีนี้มันไม่มีกําลังเวลาไปปฏิบัติจริงๆมันนี่กําลังอ่ะมันก็ฟันต้นไม้ไม่ได้คุณจะรู้ว่าวิธีมันไม่ยากหรอกก็แค่หยิบขึ้นมาแล้วฟันเช่ฟันต้นไม้ก็โค่นบอกวิธีให้หมดเลย แต่ทีนี้กําลังมันไม่ถึงมันทําไม่ได้เล ย, อ, ยอันนี้พูดถึงร่างกายเปรียบเที่ยวกับร่างกายทีนี้ก็ต้องมาเพิ่มกําลังให้แก่ร่างกายซะก่อนให้มีกําลังซะก่อนอขั้นตอนมันรู้แล้ววิธีการรู้แล้วนั่นก็คือลงมือปฏิบัติละทีนี้เพราะนั้นกําลังจิตก็สําคัญกําลังกายสําคัญถ้าจะตัดต้นไม้ถ้าจะตัดกิเลสตัดตัณหาความอยากละอุปท า, านพวกนี้กําลังของจิตก็สําคัญ บางคนก็สงสัยเอากําลังของจิตเป็นยังไงอะก็ต้องมีสตินี่แหละมันเริ่มต้นมันก็ค่อยๆมีกําลังขึ้นมาตอนแรกเนี่ยจิตมันโวยไหลไปกับอารมณ์ไปตามอนานาจความหลงแบบชนิดที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวพอเรามาจเจริญสติปับ๊บพอสติเริ่มมีขึ้นมาเนี่ยนี่เมันเริ่มมีกําลังขึ้นมาทีละนิดทีนิดมันจะคุมจิตได้นี่คือกําลังของสติก่อนพอคุมจิตได้ปับ๊บจิตก็เริ่มอยู่ พอมันอยู่ได้นานขึ้นมันก็คือตัวสมาธิอยู่นิดนึงกับเอาคณิกาสมาธิอยู่ได้นานขึ้นมากขึ้นกับเป็นเอาอุญญาสมาธิทํามันลึกซึ้งลงไปกับเป็นอัปนาสมาธิเนี่ยมันก็ทําให้จิตเริ่มค่อยๆมีกําลังแต่ต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่อยากหรือว่าไปรู้วิธีการมากมายแต่ว่าเราไม่ลงมือปฏิบตัติมันก็ไม่มีกําลังมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะนั้นองค์ประกอบมันจริงต้องพร้อม สร้างองค์ประกอบของจิตขึ้นมาสร้างคุณสมบัติของจิตขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ความจริงเป้าหมายให้รู้ความจริงนะอย่างจะตัดต้นไม้เนี่เป้าหมายคือจะตัดต้นไม้ล่ะให้มันตัดต้นไม้ได้เราต้นไม้ออกไปให้ได้เพราะเราไม่อยากมีต้นไม้เพราะนั้นสัมมาทิฏฐิจริงๆก็คือว่าเห็นเห็นขันห้าว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าไม่ใช่ของเราถ้ามันเห็นแจม่มแจ้งวเวลามันจะบรรลุอริยมรรคอะมันต้องเห็นในจิตอะเหมือนมันเป็นแค่ เกิดดับจริงๆกระแสความเกิดดับจริงๆคือมองดูจิตเมื่อไหร่มันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับของมันเพราะนั้นอัญญาโกณทัญญาจริง่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาเพราะว่าเห็นเน่ยังจิตจิตสมุทัยธรรมังสับบันตังนิโรธธรรมมันติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาเพราะถ้าเห็นในจิตของท่านอย่างนี้แต่ถ้าเห็นความเกิดดับก็รู้เข้าใจแล้วว่าสุดท้ายมันต้องเห็นปัตติลักเห็นความเกิดดับแล้วก็ สวภาวะเรารู้แล้วว่าเอออารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับความคิดเกิดแล้วก็ดับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเกิดแล้วก็ดับเวทนาเกิดแล้วก็ดับแต่เวลาจะเห็นจริงๆเวลาจะบรรลุอริยมรรคน่ยมันกิดดับอยู่ในจิตเนี่ยพร้อมกับเข้าใจด้วยสภาวะเหล่านั้นเกิดแล้วต้องดับแล้วก็ทุกเรื่องด้วยไม่ว่าอะไรผ่านเข้ามาในจิตมันรู้เข้ามั น, น่ะจิตเนี่ยไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องคิดมันรู้แล้วก็วางด้วยเนี่ยมันไปพร้อมกันเลยนะนี่แหละจริงๆเน้นการปฏิบัติมาก แล้วเวลาปฏิบัติก็ไม่ต้องอยากอะไรหรอกรอเวลาให้มันพัฒนาของไปเรื่อยๆอืจะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเมื่อมันมันมันเหมาะสมมันก็จะทําหน้าที่ของมันอริยมรรคเนี่ยเพราะการที่มันเห็นขันห้าไม่ใช่เราเนี่ยเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นมันเกิดดับเห็นมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นก็เห็นทุกข์นั่นเองมันก็ต้องเห็นทุกข์ไปตลอด ถ้าไม่เห็นเนี่ยจิตเรามันหลงหลงว่าเป็นเรามันก็จะพยายามที่จะทําอะไรเพื่อตัวเรามันก็มีความอยากขึ้นมาถ้ามันอยากมากๆเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อจิตเราอ่ะจิตเราจะไหลไปกับอารมณ์มากเลยเพราะฉะนั้นตามใจความอยากไม่ได้คนที่จะปฏิบัติธรรมต้องเข้มแข็งด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าความเพียรที่แท้จริงเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยต้องอาตาปีเพียนเผากิเลสให้เราร้อนตามใจความอยากไม่ได้เลยเพรามันคนปฏิบัติเนี่ยมันจึงต้องเริ่ม ที่จะมีความเข้มแข็งขึ้นมานี่คือการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยจเจริญก้าวหน้าขึ้นเพราะฉะขี้เกียจขี้ค้านไม่ได้เราต้องเข้มแข็งขึ้นมาเราต้องเอาชนะใจเราจะชนะใจเรามันก็ต้องมีวินยัยจะอ่อนแอไม่ได้มักง่ายไม่ได้มันต้องมีความสำรวมระวังมีความรัดกุมนีม่คือฝึกจิตเน่ยฝึกตัวเองอะ่ะถ้าเรามันอ่อนแอเนี่ยเราจะไปอยากให้จิตเรามีกำลังมันไม่ได้เพราะเราอ่อนแออยู่อะ่ะ มันไม่ลัดกุมอ่ะพระพุทธเจ้าก็สอนมีทั้งธรรมมีทั้งวินัยวินัยก็คือกรอบหรือระบบระเบียบเพื่อให้เราเดินทางให้จิตมันไปเห็นความจริงได้มันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าใครอ่อนแอดําเนินชีวิตไปก็ปล่อยตามความอยากความต้องการนะที่ปฏิบัติมาเดี๋ยวก็หลุดหมดหายหมดก็มาเริ่มต้นกันใหม่มันก็ไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าใครพยายามที่นี่พยายามบางทีก็เสียดายเหมือนกันนะ ก็เคยเป็นนั้นตอนเป็นพระเนี่ยเวลามันมีโอกาสก็อยากทำตามความอยากตัวเองบ้างแต่ว่าเรากำลังฝึกจิตอยู่เราไม่ทำตามก็เสียดายเหมือนกันนะว่าแม่มันมีโอกาสน่าจะเอาบ้างดูสิตันหานมันขนาดนั้นนะมันก็ว่าอยากให้เราสุขอยากให้เราสบายอยากให้เราได้ตามปรารถนาแต่ว่าตันหามันหลอกเราเราไปทำตามมุฟออนแอที่นี่สมาธิก็อ่อนสติก็อ่อนจะทาให้จิตมีกาลังมีความเข้มแข็ง ไอสิ่งที่เราไปทํามันเป็นความอยากมันเป็นความแพ้ต่อตันหาของตัวเองอะ่ะจิตก็อ่อนแอไม่มีกําลังแต่ถ้าเราสามารถขจัดไอความอยากเอาชนะกิเลสตันหาได้เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาทันทีเลยสมาธิก็มั่นคงจิตมีกําลังนี่มันก็เลยมาประสานกันนะที่นี่เพราะฉะนั้นคนที่อยากจะเดินตามทางของมดยาวเนี่ยจึงต้องมีวินัยในตัวเองมีความเข้มแข็งในตัวเองรัดกุ่ม แล้วก็สามารถบังคับควบคุมตัวเองได้ดีด้วยต้องชนะใจตัวเองถ้ามันไปพร้อมกันหมดเลยคุณสมบัติที่ดีงามถ้าคนจะเดินตามทางองเจ้นี่ละท่านถึงเรียกว่ามันเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อะ่ะเพราะมันทําให้ชีวิตนี่มันประเสริฐขึ้นผมต้องรัดกุมไปหมดเลยอะ่ะแล้วถ้าหากว่าพูดกันตามกิเลสอะ่ะคนมีกิเลสปฏิบัติเนี่ยบางทีก็เฮ้ยไม่ต้องอะไรอะ่ะอทําสบายๆจะไปเคร่งเคียดมันทําไม อ่อมันไม่ใช่เครงเคียดมันเพียรมันพยายามพพระพุทธเจ้าก็เพียรพยายามพระโมคคัลลานะสารีบูดอะเพียรทั้งนั้นแหละตื่นเช้ามาเอาพระโมคคัลลานั่งสปงบงงง่วงพระุทธเจ้าเสด็จไปดูสิกระตุ้นเลยขนาดนั้นนะแต่สมัยนั้นมีพระพุทธเจ้าท่านก็มีอะไรที่มันช่วยสาวกได้มากแล้วท่านมีพร้อมนี่นะสมกับเป็นพระพุทธเจ้าละสมัยนี้มันไม่มีแบบนั้นนี่นะมันก็ต้องอามาปลูกจิตปลุกใจกันให้เข้มแข็งให้ปฏิบัติ เดี๋ยวกาอธิบายธรรมะตรงกับจริยนิสัยด้วยพราอแก่ง่วงได้เรียบร้อยอ่ะเอาพระโมคคณา伽ถามมาเอาแล้วจะหลุดพ้นได้ยังไงสรุปเลยพระเจ้าก็บอกว่าสเพนธรรมานานลังอภินิเวสยะทําทั้งพวงใครๆก็ไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นแล้วก็สอนวิธีด้วยเธอเข้าไปในถิ่นบ้านอย่าไปมีทิฏฐิว่ามีตัวมี ต, มตนเดี๋ยวเกิดเขาเคยมาเอาใจใส่เราเขาไม่เอาใจใส่เดี๋ยวเธอก็จะคิดว่าเออมีใครหนอเอาสิ่งไม่ดีของเรามาพูด ทำให้ชนเหล่านี้เขาไม่มาสนใจเตือนไว้หมดเลยไม่ให้คิดไปในทางที่จะมีตัวมีตนมีตัณหาไม่มีทิฏฐิความเห็นผิดขณะเป็นพระโสดาบันแล้วนั่นเนี่ยพระเจ้าก็ยังยำ้ำไม่ให้มีมานะไม่ไปเปรียบเทียบเกิดอะไรขึ้นเลไม่ให้มีตัวมีตนออกไปพยายามสำรวมระวังรู้เท่าทานมันเพราะฉนถ้าใครจะเอาของว่าโมคนะระณะไปใช้ที่พระเจ้าสอนประบอกก็ได้เลยอประโยคเดียวก็ได้ สัพเพหามานาลังอภินิเวสายะทำทั้งปวงใครๆก็ไม่ควรไปยึดมั่นถึงมันไม่ว่าไม่ไม่ควรยึดมั่นถึงมันอะไรเลยนี่ความหมายมันน่ะเขาจะนินทาว่าร้เราไม่ยึดแต่ควรทํายังไงก็ทําอยู่นะคนไหนมันทําไม่ดีกับเราอะ่ะเราจะไปเกี่ยวข้องไปนวเนียมันก็ไม่ได้พรเดียวปนามันก็เกิดเราก็ต้องอยู่ตามความเหมาะสมอะ่ะ คนไหนถูกกันดีช่วยเหลือกันมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันอยากช่วยเหลือเราเวลาเราตกทุกข์ได้อยากเราก็ต้องเกี่ยวข้องเขาไปมันก็สนิสนมกลมกืนได้กรณีอย่างนี้อันนี้มันก็จะมีความพอดีอยู่ในตัวเองนะไม่ได้ยึดแต่ว่าสมควรยังไงทำได้มันก็แยกแยะได้คือบางทีพอบอกว่าไม่ยึดอะไรลเลยไม่ทำอะไรเลยเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีตัวตนไม่ทาอะไรเลยเหรออ้อาวไม่ใช่ สมควรทําก็ยังทําอยู่อ่ะแต่ทําแล้วไม่ทุกเลยอ่ะหมายาว็มาอย่างนั้นน่ะเป้าหมายของเราคือไม่ทุกเลยอะไรเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปทีนี้ระว่างที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้ถ้าหาว่าจิตเรามันยังไม่สมบูรณ์อุเบกขามันยังไม่เต็มที่มันยังไม่เห็นความจริงตรงที่บางที่มันก็ขึ้นขึ้ น, น, นลงลงอ่ะนะหาความพอดียังไม่ได้อ่ะเอมากไปหรือเปล่าน้อยไปหรือเปล่าอย่างนี้ถูกหรือเปล่าอย่างนี้ลองผิดลองถูกมันก็ต้องเป็นแบบนี้ไปก่อน คือยังไงยังไงมันมีความหลงอยู่อะเพราะเรายังละความหลงนี่ไม่ได้มันก็ต้องมีความหลงไปก่อนแต่อาศัยความหลงนี่แหละหรืออาศัยตัณหานี่แหละมาสอนจิตเราอ่ะอ๋ออันนี้มันทําไปแล้วนี่มันเป็นทุกข์นี่นาวิ่งตามความอยากมันมีเป็นอย่างนี้เองเหรอก็พยายามละไปมันทุกข์ขึ้นมาก็โอ้มันทําไมมันจะเป็นทุกข์ล่ะเพราะเราไปหลงอ่ะก็พยายามที่จะไม่ให้หายหลงมันก็ต้องพยายามปฏิบัติทําความเข้าใจ ถ้มีสัมมาทิฏฐินำแล้วก็สัมมาสังกปราจะเป็นสัมมาด้วยนะความคิดเนี่ยความคิดจะชอบชอบคือยังไงอ่ะมันมันอยากยึดอะไรอ่ะถ้าพูดรวบลัดเลยก็คืออะไรมาก็ตามเถอะเรพยายามที่จะให้จิตเรารู้จักปล่อยวางถ้ามันไปติดไปข้องอะไรมันก็เป็นทุกข์ทันทีล่ะเนี่ยมันก็เห็นสิโอเพราะเรามันหลงไปว่าตัณหาเชื่อตัณหามันบอกว่านี่ได้อนั้นมาสิจะมีความสุขบางทีไปเอามาแล้วมันเป็นทุกข์อะ โอ้ไอ้อย่างนี้เป็นพอเนี่ยมันเรามีตัณหาแล้วไม่เอาเลยเหรอก็เอาแต่เอาโดยที่ไม่ต้องมีตัณหาเอาด้วยปัญญาทีนี่เพราะว่าอันนี้มันอยู่ในขอบเขตความถูกต้องชอบธรรมได้มาก็ไม่เสียหายอะไรมันไม่ทําให้เราเป็นทุกข์อะไรไม่ทําให้คนอื่นเดือดอร้อนอะไรปัญหาไม่ตามมาแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้แก่ตัวเองก็เอาได้เนี่ยเราตามความพอดีอะต่อไปเราก็จากโลกนี้ไปแล้วอันนี้เป็นประโยชน์ตัวคุณก็แบ่งปันกันได้เพราะไม่ใช่สมบัติของเรา มันเป็นของกลางของโลกไม่มีตัวตนเนี่วมันมันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันจะมีความสุสงบลมเย็นที่สุดเลยเพราะมันเข้าใจชีวิตอย่างแจ้งแต่ทีนี้มันจะให้โลกทั้งโลกเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้อะมันก็เออมีบางกลุ่มที่มาปฏิบัติแบบพวกเรานี้อย่างน้อยก็เออเดินถูกทางแล้วความหลงมันลดลงไปตัวตนลดลงไปความที่มันเห็นอกเห็นใจมันก็มากขึ้นการแบ่งปันก็มากขึ้นก็รู้จัก กือแพ่กันรู้จักเก่ง อ, อกเก่งใจกันเพราะมันมาเห็นจิตของเราเองอะ่ะเราไม่อยากมีทุกข์ไม่อยากมีปัญหาเราก็ไม่อยากทําให้คนเป็นทุกข์เพราะมันเห็นแล้วมันทุกข์มันเจ็บปวดพอเราเห็นเราเราเป็นทุกข์ปับ๊บโอ้ยนึกถึงคนอื่นเลยนะที่เป็นทุกข์พอเราไปพูดปับ๊บเขาเป็นทุกข์ขึ้นมาโอ้โหความทุกข์เป็นอย่างนี้เหรอนี่เวลาเราทุกข์มันเจ็บปวดสงสารคนที่ถูกระว่าทันทีเลยนะโอ้โหเราไม่น่าว่าเขาเลยเนี่ย เขาหลังมันก็สัมรวมระวังก็ไม่ไปทํามันเห็นในจิตนี่มันมันรู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากมันละเอียดลงไปเรื่อยๆความเข้าใจคนอื่นก็มากขึ้นเพราะนั้นพยาบาทมาโอ้ยมันยิ่งละเร็วพราะมันทุกข์มันเดือดร้อนหนักในจิตพยาบามแต่โง่ทําไมมันดิบละทันทีเลยไม่ได้เพราะมันขยับทารละเอียดเข้าไปพอมันรู้สึกอาการปรับขึ้นมาอยากจะโกรธนี่มันละทันทีเลยทั้งว่ามันละความโกรธได้ พอเห็นโทษของความโกรธมันเห็นว่าอารมณ์อันนั้นมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยคือเห็นธรรมะก็วางได้ปล่อยได้แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ละเอียดพอมันก็อยากจะโกรธอ่ะมันก็ค่แค่ว่าให้มันสะสมใจสักหน่อยนะเขาทําเราเราก็เอาคืนอเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็คิดไปพอสมาธิที่มันยังไม่เต็มที่อ่ะถ้าเต็มที่โอ้ยมันเฉยเลยอ่ะเขาบีบปากเขาหวาไปเรื่องเขาไป เราเบีดขาอย่างเดียวเลยสบายเลยเขาอยากพูดก็พูดไปสิเรา <dedication. S 2> ไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยความจริงเนี่ยเรารู้อยู่กับใจเนี่ยใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามทีนี่เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะจิตเราสบายอยู่มันก็เลยปล่อยวางได้มีการรู้ความจริงกับไม่รู้ความจริงมันจึ ง, ม, จงมีผลต่อจิตของเราถ้ารู้ความจริงมันก็ปล่อยวางได้ถ้าไม่รู้ความจริงปล่อยวางไม่ได้คนรู้ความจริงมากเท่าไหร่มันก็ ความทุกข์ก็ยิ่งน้อยลงไปเพราะฉนั้นปฏิบัติมันจึงมีสมาธิธมันรับรู้ความจริงซะก่อนเชื่อตามพระเจ้าซะก่อนจากนั้นก็ปฏิบัตินะเพื่อให้เห็นเห็นความจริงตามนั้นทีนี้มันจะเห็นเมื่อไหร่ล่ะ อ, องค์ประกอบมันก็มีเออมันก็วความคิดก็ต้องเวลาเราพิจารณาไต่ตองอ่ะมันก็ต้องมีสมาธิธนี่แหละ ว, ว่าเออมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ย เวลามันคิดไม่ดีขึ้นมามันก็วางได้หรือเวลาจิตมันไปยึดไปติดข้อข้องอะไรโอ้อำนาจของความหลงอำนาจของตัณหามันหลอกว่าถ้าทำเพื่อตัวเรามันก็ทําให้เราอยากปล่อยวางขึ้นมาแต่ขั้นจริงๆมันเห็นแล้วมันปล่อยวางได้มันจึงเป็นอาริยมรรคขึ้นมาเป็นสัมมาสังกัปปะจริงๆขึ้นมาผะอะไรก็ตามมันทําให้จิตมีน้ําหนักมันไม่เอาทั้งหมดแหะเวลาปฏิบัติไปเวลามรรคมีกําลังมันจึงเป็นเองนะเวลาเรียมรรคมีกําลังเป็นเองแต่ช่วงแรกๆเราต้องปฏิบัติซะก่อน เดินหน้ามีสติซะก่อนอันนี้พูดถึงว่าเวลาเข้าไปปฏิบัติแล้วทีนี้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาก็จะเกิดขึ้นมันจะสัมรวมระวังอันนี้ในชีวิตประจําวันแล้วนะทีนี้มันจึงเป็นเรื่องของศีลไปแล้วแต่มันจะเป็นมรรคก็ต่อเมื่อมันจะบรรลุธรรมจะเข้าไปมันมีความเพียรระวังจิตเข้าไปเป็นอันเดียวกันขึ้นมาแต่แรกๆนี้มันต้องมาทําความเข้าใจเรื่องสัมมาวาจาต้องสัมรวมระวังกันไปเรื่อยๆ แล้วมันจะเข้าไปหาจิตมันต้องใช้ความเพียรเหมือนกันใช้ส ม, มาธิิมันจะมีความเพียรมีสติมีปัญญาหรือมีสติก็มีสมาธิเพราะฉะนั้นบางทีพูดถึงเรื่องการปฏิบัติอย่างพูดในสติปัฏฐานสี่เนี่ยท่านอาตาปีนมืน่องความเพียรเผากิเลสที่เราร้อนสมปะชานโนสติมามีสัมปะช ญ, ญามีสติสัมปะัญากคือปัญญามสมญญาสติก็คือรู้สึกตัวรู้ตัวครั้งแรกแล้วก็ความรู้สึกตัวขยายขึ้น เป็นสัมมาสังกัปปะตนเป็นปัญญาต้นเดี๋ยวพอ ป, ปัญญากลละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นกลายเป็นวิปัสสนาปัญญาหรือเป็นปัญญาญาณเพราะนั้นสัมมาวาจาก็จําเป็นต้องทาความเข้าใจให้ดีเดี๋ยวนี้รู้สึกข้อนี้สัมมาวาจานี่จะรู้สึกมันมีเยอะเป็นมิจฉาวาจานี่สัมมาวาจาคืออะไรไม่พูดโกโหกไม่พูดส่อเสียดเรายังพูดอยู่ไหมเนี่ยก็ต้องสอบสวนเข้ามาดิถ้าจะปฏิบัติตามพระเจ้าเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นแล้ว ผู้ใจโสียก็คือว่าเอาเรื่องไม่ดีของคนนี้ไปเล่าคนนั้นฟังเอาเรื่องไม่ดีของคนนั้นเล่าคนนี้ฟังยุ่ยแยกให้มันแตกกัน่ะมันก็แตกสามขีงก็เกิดปัญหาวุ่นวายแล้วก็มาลบกวนจิตตัวเองมันจึงจําเป็นสมาวาจาพาุทธสวัจาผู้ใจหยาบคายผู้ใจให้โทษเขาพูดให้เขาเจ็บปวดพูดจาค่อนขอดทิ่มแทงทําให้เขาฟุ้งซ่านเนี่ยพูดให้เขาสบายอกสบายใจพูดจาหเหตุผลให้เกิดประโยชน์ มันก็เป็นธรรมะขึ้นมามันก็ดีขึ้นมามนจะพูดทั้งทีก็ไปพูดให้ร้ายกันทำลายกันเนี่ยมันก็เป็นโทษทั้งเขาทั้งเราทีนี้จิตของเราเนี่ยเวลาปฏิบัตินะมันจะต้องตรวจสอบเลยนะปับ๊บเราไปทำอะไรมาลองมันจะตรวจสอบไอ้สิ่งไม่ดีก่อนเลยนะนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อจิตเรามากนิดเดียวบางทีวมันไปไม่ได้เลยนะจิตเนี่ยมันค้างอยู่ในใจต้องหาทางเอาออก บางทีแค่พูดไม่ดีนิดหนึ่งโอ้มันติดอยู่ในจิตโอ้เราพูดไม่ดีเวลาจะภาวนา ม, มันจะละเอียดมันก็ไม่ละเอียดอ่ะเพราะเรายังปัญญาเรายังไม่รอบเราปล่อยวางไม่ได้เราไม่ทันเจตนาของเราว่าเออเราที่เราจะพูดเนะี่ยมันพูดเพื่ออะไรกันนะแล้วเราไม่ได้ขันกองมาบางทีพูดผิดพูดถูกเพหาความพอดีในจิตเรายังไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าโอ้มันเป็นธรรมดาเอาเอาจะแก้ไขจะแก้ไขยอย่างนี้มันจะเบาะนะ เพราะใครที่พยายามที่จะแก้ไขตัวเองเนี่ยจะได้เปรียบนะผิดเมื่อไหร่จะแก้ไขจะพยายามแก้ไขต้องแก้ไขกระซื่อสัต์ตัวเองนี่ถ้าอย่างงี้คนนั้นก้าวหน้าเร็วถ้าใครยืนยันว่าเอาผิดก็ยอมรับผิดและจะแก้ไข อ, อย่างนี้มังจะก้าวหน้าเร็วและอีกอันหนึ่งพูดจากเพอรเจอโอ้นี่เยอะมากเลยนะเนี่ยอันไหนมันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ถือว่าเพอร์เจียหมดเลยไม่ได้พูดจากธรรมะกระทานะแต่พูดเพื่อโอ้โอวดเพื่อโชว์เพื่อให้เราเด่นเราดังเสียหายหมดละ มันก็ไม่เป็นธรรมะแหละมันเป็นเพิ่มขีเลดให้กับตัวเองพูดมากเกินความจําเป็นเกินเหตุก็กลายเป็นเพ้อเจ้อไปได้หมดมันต้องมีความพอดีด้วยนะแล้วดูคนฟังด้วยทีนี้มีคนฟังนี่เขาพอใจฟังไหมเขาสนใจฟังไหมเขาได้ประโยชน์ไหมพูดเพื่อประโยชน์คนอื่นไม่ใช่พูดเอาของตัวเองมาโชว์มาอวดเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมะางนี้พูดมากๆก็กลายเป็นเพ้อเจ้อไปไม่ได้ประโยชน์แก่คนฟังเอาแต่ของตัวเองมาอวด กลายเป็นอวดไปโอต้องได้ระวังนะพูดธรรมากเดี๋ยถ้าสมควรพูดเออมันได้ประโยชน์ก็พูดได้เราปฏิบัติมาเราพอรู้วิธีมีคนใหม่ๆมาก็ไม่รู้วิธีแนะนําได้หรือบางทีเขามีปัญหาเออเราพอมีความเข้าใจจะพูดเพื่อให้เขาแก้จิตของเขาได้ก็ได้เพราะเรามุ่งประโยชน์เขาพูดจบแล้วเออเขาได้ประโยชน์แล้วพอบางทีก็เอาพอได้พูดให้เขาฟังก็อยากให้เขาเคารพนับถือ ยังเขายกย่องสรรเสริญตามประกอบนี่เอาอย่างนี้มันก็เลยไปละเลยละมันกลายเป็นความอยากของเราแล้ะมีตัวมีตนก็ไปเกี่ยวข้องโอ้โหนี่เเนี่ยการดําเนินชีวิตนี่มันต้องได้ระมัดระวังมากนะมันจึงต้องได้พยายามที่จะปฏิบัติตามพระเจ้าให้ถูกให้ตรงให้รอบคอบขึ้นเรื่อยๆนี่หลักสัมมาวาจารักสัมมากระมันตา ก, ก็มีสามข้อเว้นจากการฆ่าสัตว์ในชีวิตประจําวันหลอไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ไปพิพิธในกรรม นี่สัมมาอาชีวะนี่มึงงกันมากเลยนะเป็นจากอาชีพที่มันไม่ชอบอ่ะแต่อาชีพที่ไม่ชอบนี่เวลาอธิบายท่านจะอธิบายในเชิงว่าอาชีพเนี่ยต้องไม่ฆ่าสัตว์เพื่ออาชีพของตัวเองแต่สัมมากัมมันโตแต่มันเป็นสัมมากัมมันโตเพื่ออาชีพมันจึงจัดเข้าในสัมมาอาชีวะไม่ฆ่าสัตว์เพื่อชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพไม่ลักทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีพไม่ประพฤติผิดในการมเพื่อเลี้ยงชีพตัวเอง ที่มันก็ขยายออกไปทีนี้สัมมาชีวาเนี่ยมันมันรวมไปถึงนู่นดําเนินชีวิตถูกต้องไปหมดกว้างกว้างขวางเพราะถ้ามันผิดพลาดบกพร่องแล้วมันก็กระเทือนถึงจิตเรามันทาให้จิตเราเนี่ยมันไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมของยอดวิสัมมาหมดเลยถูกต้องเป็นจากการหลอกลวงเว้นจากการคอร์รัปชั่นคดโกงเล็กน้อยก็ไม่เอาวันก่อนนะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะ น้องของเปิ้ลอ่ะโอเ้เขาก็เป็นคนสมัยใหม่นะโอเ้เขาสงสัยสงสัยความสงสัยเขาจะรุนแรงนะเขาดันด้นมาถึงนี่เลยนะขับรถมาเองแล้วก็มาขอถามอช่วงนั้นก็เป็นช่วงเย็นนะที่เราเสร็จจากการปฏิบัติแล้วขอถามแล้วเขาก็มารยาทดีนะเกรงอกเกรงใจนะขอโอกาสเลยนะแล้วก็ออกตัวนะไม่ใช่มาลองภูมิหรือว่า ดูถูกดูมิน่นอะไรเพราะศาสนาก็ว่าแต่เขานะ่ะมันอยากรู้ความอยากรู้เขาเต็มจิตเต็มใจอ ด, ดไม่ได้แล้วก็จําคําถามเขาไม่ได้แล้วนะเนี่ยแต่ว่าพอจําได้เราเราว่าเหมือนกับว่าในเมื่อาศาสนาพุทธเนี่ยสอนไม่ให้โกหกอะทีนี้กรณีที่แม่ป่วยเขาว่างี้นะถ้าแม่ป่วยแล้วก็พอดีอ่ะแม่คาดหวังว่าการไปสอบ ไปฟังผลสอบจะไปฟังผลสอบแม่คาดหวังว่าจะต้องสอบได้ถ้าแม่รู้ว่าลูกสอบไม่ได้แม่ต้องตายแน่แ น, แน่เนี่ยเขาสมมติเหตุการณ์ขึ้นมานะแล้วควรจะบอกความจริงแก่แม่ไหมถ้าเขาสอบไม่ได้หรือว่าพูดอย่างอื่นเนี่ยเขาวางนี้นะเราก็เลยบอกว่าเออถ้าหากว่าถ้าเป็นเรานะเราจะพูดความจริงแต่ว่าก่อนจะพูดนะ่ะไม่มีศิลปะไหมจะพูดอธิบายให้แม่ฟังก่อนไหมว่าเออ ไอาการสอบไม่ได้ก็ตกคราวนี้ไม่ได้ก็จะสอบใหม่เขาไม่สนใจตรงนี้นะเขาสนใจแต่ว่าเราจะพูดความจริงไหมหรือว่าเราจะเห็นแก่แม่แล้วก็หลอกแม่ว่าสอบได้อะไรทำนองนี้นะเขาพูดนะเราก็ย้ำเลยว่าถ้าเป็นเราเราพูดความจริงเราจะโกหกไม่ได้เพราะถ้าโกหกลำแปลวายภูมิอะแล้วถ้าแม่เกิดหายมาล่ะเรามารู้ว่าลูกโกหกมันก็ยิ่งเสียหายไปอีกมันมีปัญหาตามมาหมดเลย หรืออย่างน้อยก็เอาให้แม่รู้ความจริงสิดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ต้องหัดทําใจสอนแม่ให้แม่ทําใจส่วนเขาเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขาเราทําหน้าที่ของเราถูกต้องเราเชื่อพระพุทธเจ้าโอ้เขาลงให้นะวันนั้นน่ะเขาบอกเขาไปถามใครๆนี่เพื่อแม่หมดเลยนะอนุโลมเพื่อแม่หมดเลยยอมโกหกเพื่อแม่เเขายอมรับเลยวันนั้นเขาพูดขึ้นมาเลยโอ้เขายอมรับเขาว่า ถ้าหาว่าพูดความจริงอย่างนี้ยอมรับบางทีเขาเห็นก็าไหว้เดี๋ยวนี้ว่ายิ้มแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะมาปฏิบัติมาอะไรมากมายนะเหมือนกับเขาก็อยู่ในบนทางเส้นทางของเขาดูเหมือนว่าเขามีความคิดอยากจะไปนับถือาศาสนาคริสตนะ์เขาก็เลยสงสัยมากอาจจะศึกษาสองด้านอะไรเนี่ยทำียบบ้างคิดศาสนาว่ามันไปศึกษาพุทธบ้างก็เลยถามซอกแซกไป พอได้คําตอบตรงนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเลยดีขึ้นเหมือนกับว่าไม่ไม่เกิดความขัดแย้งอ่ะเนีย่ยแล้วไม่หลอกลวงไม่โกหกเพื่ออาชีพอย่างเงี้อย่างเงี้ยมันจะเป็นสัมมาได้เช่นในเว้นเลี้ยงสัตว์แล้วก็ขายเพื่อให้เขาฆ่าเป็นอาหารเนี่ยนี่มันก็เกี่ยวกับปานาติบาตอ่ะเด็วเร็วนี้ก็มีคนไปถามขึ้นไปบนวัดเลยนะเป็นหนุ่มเลยนะเขาเคยเลี้ยงปลา เขาอยู่จังหวัดนครพ น, นมก็เลี้ยงปลาในกระชังรายได้ดีมากแต่ต้นหลังมาศึกษาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่ากลัวบาปอะ่ะก็เลยเลิกจะไม่ทำทีนี้ญาติพี่น้องก่อเสียดายอะ่ะแม่ภรรยากับภรรยาเขาเสียดายเขาว่าแม่แฟนก็เลยขอกิจการไปทำทีนี้แม่ไม่มีเงินเขาก็มาเอาเงินเขาไปลงทุนเขาจะบาปไหมคาถามของเขานะซับซ้อนนะ เราถ้าหาว่าเราเนี่ยเขามาขอเงินไปลงทุนเราให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจว่าเขาเป็นแม่ภรรยาเราแต่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เขาไปลงทุนเพื่อเลี้ยงปลาต่อจากเราคล้ายๆมันตัดตอนน่ะตัดตอนว่าเราไม่เอาแล้วแม่จะเอาแม่รับไปรับด้วยความเต็มใจของเขาเองแต่ที้เขาไม่มีเงินลงทุนเขามาขอยืมเงินหรือว่าขอให้ออกไปก่อนให้ได้ เขาก็ยกตัวอย่างว่ามันมีนายพรานก็มีภรรยาเป็นพระโสดาบันอะตื่นเช้าขึ้นมาก็ทําอาหารเตรียมอาหารให้สามีแล้วก็หยิบเครื่องไม้เครื่องมือยื่นให้สามีสามีก็ไปล่าสัตว์ไปดักสัตว์ได้อาหารมาก็มารับประทานบาั่งมาขายเพื่อที่จะให้ให้ดําเนินชีวิตไปแล้วก็มีนี่แหละเขาก็ทูลถามพุทธเจ้าว่าแล้วนางคนเนี้เป็นพระโสดาบันแล้วอย่างเงี้ยถือว่าฆ่าสัตว์ไหมถือว่าเป็นบาปไหมพุทธเจ้าบอกว่า เหมือนคนที่มือไม่มีบาดแผลจับยาพิษยาพิษก็ไม่ซึมเข้าไปในร่างกายของคนนั้นเนี่ยพุทธเจ้าโอมาให้ฟังก็อันนี้ขึ้นอยู่กับเขาว่าเจตนาเขาเป็นยังไงหรือเขาทํารายละเอียดเขาเป็นยังไงคือเราพูดให้ฟังมาการช่วยคนนะ่ยมันก็เป็นบุญแยกออกมาแต่ช่วยไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนตัวเองไม่ทําแต่ว่าเป็นของออกทุนให้เอาอย่างนั้นมันก็เป็นจําเลยที่หนึ่งพุทธเจ้าเขาก็รู้สึกว่าเออพอมีทางออกอะไรในชีวิตของเขา ทำท่าเหมือนกับจะสนใจอยากจะบวชอยากจะอะไรนั่นแหละกำลังศึกษาหาทางออกให้กับชีวิตนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะพวกคนเราเนี่ยถ้ามันเคยสร้างบา ร, รมีมาเวลาจะไปทําสิ่งไม่ดีอะ่ะมันจะสํานึกขึ้นมาได้แล้วมันก็อยากจะเลิกอันนี้เป็นฝ่ายศีลเนี่ยเ ป, เป็นเรื่องของในชีวิตประจําวันอะแต่มันก็เกี่ยวกับของกระจิตด้วยมันทำให้สํารวมจิตมีสติสัมปชัญญะสัมมาว า, ามะความเพียรชอบวองความเพียรนี่ก็เพียรละอกุศลเพียรระวัง แล้วก็เพียรละอกุศลเพียรละละอกุศลที่มันยังไม่เกิดขึ้นอกุศลใหม่ถ้ามันมาแล้วก็เพียรที่จะละป้องกันก่อนป้องกันสังวรระทานเพราะกรทั่งสติมันดีเดี๋ยวมันก็อารมณ์อะไรเข้ามามันก็ตึกมันกั้นไว้เลยเห็นในจิตเลยล่ะว่าจะรู้ทันทีเลยอมันทํางานของมันเองนี่ียกว่ามันมีสติขึ้นมาแล้วปิดอัตโนมัติขึ้นมาแล้วนี่ขั้นนี้เขาเรียกว่าขั้นอินทรีย์นล้วเนี่ย สตินีมีกําลังละวิญญีนีความเพียรที่มีกําลังมันก็ทําให้สติมีกําลังแล้วมันก็เลยไปกั้นไออารมณ์ที่ไม่ดีไม่เข้ามาในจิตได้มีพูดในแง่ของการปฏิบัติมันไปด้วยกันน่ะพวงมาร์กเนี่ยถ้ามันมาแล้วก็ดูดูจนสติมีกําลังสมาธิมีกําลังปัญญามีกําลังเห็นว่าไม่ใช่เราวางมันดับไปจี่ว่าเรียกประหารประทานถ้ามันเข้ามาแล้วเราไม่มีสติดูลัไม่ได้อะ มันต้องได้ดูดูนี่เพื่อสร้างสติให้มีกําลังขึ้นมาสร้างสมาธิมีกําลังขึ้นมาสร้างปัญญาให้มีกําลังขึ้นมาวิริยะมีกําลังขึ้นมาจิตมันก็จะเหมือนมันถอยเหมือนถอยออกมาจากอารมณ์นั้นนหรือเราไม่เห็นอาการของมันก็ตามแต่ว่ามันทําให้จิตมีกําลังขึ้นมาจิตมันมันวางอารมณ์ได้มันเห็นว่าไอ้กุศลนี่ยมันไม่ใช่เราแต่พูดในแง่ของเห็นชัดเจนว่าไม่ใช่เราแล้วก็ดับไป ถ้าละกุศลไปแล้วที่เหลืออยู่เป็นกุศลหมดฝ่ายสตินี่เป็นกุศลฝ่ายสมาธิเป็นกุศลฝ่ายปัญญาเป็นกุศลฝ่ายความเพียรเป็นกุศลศรัทธาเป็นกุศลแล้วไอ้พวกธรรมะที่เป็นกุศลตามมาเข้าเข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจเข้าใจเรื่องจิตใจของคนอื่นทําให้รู้สึกว่าระวังคนอื่นเกรงอกเกรงใจคนอื่นไม่อยากทําให้คนเป็นทุกข์ทำให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันตามมาหมดเลยธรรมะฝ่ายกุศลเนี่ย สมมาสติสมมาสติก็คือนี่แหละดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมถ้ามันม้กําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันต้องเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอัานนี้เราปฏิบัติกันดำเนินตามนี่แหล ะ, จะเจริญสติประฐานสี่อยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าเวลาไหนท่านก็ให้นี่แหละสติตามดูกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละอยู่อย่างนี้คือระลึกชอบอคืออย่างนี้ ให้จิตนีอยู่ภายในกายเราภายในจิตเราให้มาดูขันห้ารายละเอียดรายละเอียดเข้าไปถ้าใครจเจริญสติสัมปชัญญะสี่ 4, อยู่ให้จิตนี่โคจร อ, อยู่ในตัวเหล่านี้ตลอดเวลามันจะไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์อะไรเข้ามาแทรกแซงไม่ได้เพราะมันดูอยู่ตลอดแต่ที่ถ้าเอาไว้เรายังใหม่อยู่ก็อดไม่ได้อะเพราะอะไรตึ๊บตับ๊บคือมาก็ จิตมันไหวปั๊บล่ะเนี่ยเอยเป็นอะไรเป็นนั่นเป็นนี่กังวลขึ้นมาแล้วแล้วก็สัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่ก็คือการที่ถ้าสติมันคุมจิตได้จิตไม่ซัดสายไปนี่คือตัวสมาธิไม่ซัดสายสมาธิจริงๆหมายว่าอาการที่จิตไม่ซัดสายไม่ฟุ้งซ่านจิตแนว่วแน่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามรรคมันสมบูรณ์ละ มันจึงไม่ฟุง้งซ่านอยู่ที่ว่าเออจิตของเราเนี่ยมันจะมีกำลังมากกำลังน้อยสบายไม่สบายอะ่ะอยากถ้าเอาอยากสบายก็คือหดเข้ามาเต็มที่อยู่ตามลำพังทันทีอย่างนี้สบายเต็มที่แต่ถ้าเกี่ยวข้องเออปล่อยไปบ้างอะไรไปบ้างมันก็สบายลดระดับลงไปอารมณ์หยียบหยามมันเข้ามาแต่ถ้าต้องการเนียมันอยู่สบายเต็มที่ก็ต้องกลับเข้ามาอีกอยู่ว่างวางหมดไม่มีอะไรเลย สุดท้ายก็กลายเป็นว่าเวลาจะทําอะไรก็ตัวจิตตัวเดียวนั่นแหละตัวที่มันทํางานแล้วก็ดับทํางานแล้วก็ดับมันเลยยึดอะไรไม่ได้เลยอะ่ะส่วนจะช่วยคนก่อเ น, นี่ยอาศัยจิตดวงนั้นแหละจะเรียกว่าจิตก็ใช่จะไม่ใช่จิตก็ใช่เพราะว่ามันคือสิ่งสิ่งหนึ่งเนีมันก็ก็เลยพูดไปก็มันเป็นรายละเอียดไปแล้วมันเป็นเรื่องของผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วแต่มันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรอะ่ะเวลามันต้องการที่จะทํางาน มันก็ต้องให้จิตมีกำลังมันก็ต้องบอกกับตัวเองว่านี่ไม่ได้แล้วนเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วเนี่ยจิตก็ต้องขดตัวเข้ามาปล่อยวางทุกเรื่องไม่ต้องไปให้มันมายุ่งมากวนไม่ต้องไปเอาอะไรเรื่องอะไรเข้ามาวางหมดกำลังแล้วก็เอาใช้จิตที่มันมันไม่มีอะไรนั่นแหละพิจารณาเาจะทำยังไงอ่ะจะแสดงทำเรื่องอะไรอ่ะบริษัทเป็นยังไงหละเนี่ยมันก็ว่าไปตามถ่าว่ามันมันเกิดขึ้นในจิต มันก็ง่ายเพราะว่ามันรู้แล้วมันเข้าใจแล้วมก็พูดไปแต่ถ้ามันมีบางทีมันก็มีในจักรวาลในธรรมชาติมันมีขึ้นมีอะไรเข้ามาบางทีมันมีสร้างเวทนาทางกายขึ้นมากั้นบางทีมองลงไปก็เห็นแต่เวทนาทางกายคิดอะไรไม่ออกเกี่ยวกับร่างกายแล้วที่ไม่ใช่จิตจิตสบายอยู่เป็นปกติอยู่แต่ไอ้กายเวทนาทางกายมันมีมันก็ต้องเอาจิตออกมาจากมันให้ได้เนี่ย ก็ยังมีงานมีอะไรพอที่จะให้ได้ทําบ้างแต่มันเล็กน้อยอ่ะไม่ต้องไป็นรักกิเลสอะไรแต่ให้จิตเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เบญทนานี้มันมาจากอะไรมื่มันจะขึ้นเนี่ยเหมือนร่างกายเนี่ยเวลามีเชื้อโรคเข้ามามันก็ปวดหัวบ้างไอจามบ้างแต่ขึ้นอีกประเภทหนึ่งมันก็มีผลต่อจิตด้วยคือทําให้จิตมันตื่อมันมึนมันงงเพราะมันมันอาศัยร่างกายจิตยึดไหมก็ไม่ได้ยึดอะไรอ่ะแต่วมื่อมันคิดอะไรไม่ออกเออมันก็แปลกดี มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอา้าวเป็นเรื่องร่างกายเท่านั้นน่ใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช้สมควรนอนกนอนพักไปสักประเดี๋ยก็หายหายก็อา้าวทำประโยชน์ไปทำมันไม่หายก็แล้วไปือยอมรับความจริงได้หมดขออย่างเดียวว่าจิตเราไม่มีทุกข์เอาต่อไปนี้ให้สำรวมจิตใจนะเดี๋ยวจะหยุดละพยายามเลยไม่ได้เดินดูเลยว่านี่มีใครหลับหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเดินละ เพราะว่าจะเดินทีไรแล้วคนตื่นทุกทีเลยแปลกเลยเลยอดเลยว่าจะตีสักหน่อยวันนี้มีคนมาถามเขานั่งแล้วมันมีเวทนาแล้วเขาก็ดูมันได้เห่าเพราะว่าจิตมันเป็นผู้ดูนี่จิตเป็นผู้ดูเวทนาก็อยู่ที่ร่างกายเขาดูได้แต่ว่าพอดูไปดูไป ม, มันสู้ไม่ได้ทนไม่ไหวเขาก็มาปรึกษามาถามว่า และจะทำยังไงเพราะว่าเขาอยากจะนั่งให้นานกว่านี้แต่มันสู้ไม่ไหวเราบอกเออสู้ไปค่อยๆทำไปสะสมกำลังสติสมาธิปัญญาเรื่อยไปแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นแต่ต้องทำให้สม่ำเสมอหน่อยใ น, นชีวิตประจำวันก็พยายามมีสติไปมีเวลาก็ต้องเดินจงกรมนั่งภาวนาด้วย คือการเดินโยกมณังภาวนาทำในรูปแบบเนี่ยมันทำให้สติมีกำลังสามารถที่มีกำลังแต่ถ้าหาว่าในชีวิตประจำวันอ่ะมันเหมือนทำการทำงานโน่นนี่ไปมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็เหมือนถ้าเป็นนักมวยก็เหมือนกับฟุตเวิร์กอ่ะซ้อมแต่ต้องมีเวลาขึ้นเวทีมันจะได้จริงจังมากขึ้นเขาหนีคู่ต่อสู้เมั่อถ้าหาว่าได้ทำในรูปแบบมันก็ช่วยได้เยอะทำให้กำลังมันพัฒนาไปได้เร็ว ถ้าวลาเราอาแต่ชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็เลยมันยังหยาบได้บ้างเสียบ้างมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเห็นความจริงได้เห็นความจริงก็ช้าบางทีได้มาแล้วก็เสียไปเกิดแล้วก็ดับไปเพราะสติเนี่ยมันก็ไม่ได้คงที่ไม่ได้เที่ยงมันก็ต้องเอาตามกําลังด้วยเพราะว่าเรายังอยู่ในฐานะเป็นฆราวาสญาติโยมมีหน้าที่การงานแต่มีโอกาสก็เอาบางคนก็เคยสู้มาเคยชนะวันนี้มันไม่ชนะ ไม่ใชนะชนะคือยังไงมันหายก็ว่าเวทนาหายโอ้ท่านั่งภาวนาแล้วมันเจ็บขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อยากให้มันหายมันหายก็เรื่องของมันมันไม่หายก็เรื่องของมันแต่ให้จิตมันรู้ว่าเวทนาเนี่ยสักว่าเวทนาเป็นเรื่องร่างกายไม่ใช่จิตให้จิตแยกออกมาจากเวทนาได้แต่ก่อนมันเคยหายก็ว่าก็อาจจะหายได้เพราะเวทนามันเล็กๆ็กน้อยน้ะมันยังไม่มาก นั่งทีละนิดทีละหน่อยเจ็บขึ้นมาพอมันมีอย่างอื่นเด่นขึ้นมาบางทีไอ้ธาตุในร่างกายมันก็ปรับตัวมันได้มันก็บางทีมันก็ทำให้เวทนาหายไปพอไอ้ที่มันมีเวทนาก็นี่แหละธาตุลมธาตุน้ำมันไม่สมดุลอะมันเดินทางไม่สะดวกอะมันกดทับลงไปธาตุลมมันมันไม่เดิน ธาตุน้ำมันเดินไม่ได้มันก็เลยเป็นเวทนาขึ้นมาคือความผิดปกติทั้งร่างกายและเรื่องธาตุเพราะคนคนั่งภาวนามากๆเลยต้องพึ่งหมอนวดหน่ยนวดให้เลือดลมมันวิ่งสะดวกที่มันก็บริหารร่างกายปรับให้เลือดลมวิ่งสะดวกบริหารทั้งกายบริหารทั้งจิต อย่างของเราก็ดีนะมันมีการออกกำลังกายมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ช่วยได้ทำให้ราวานาดีด้วยเดือดลมวิ่งสะดวกนั่งสมาธิกันนานขึ้นชัดเจนขึ้นเอาเตรียมตัวนะให้ดูเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะลองถามตัวเองก็ได้มีอะไรเป็นของเราบ้างไหมมีอะไรเป็นเราบ้าง เอาจิตเนี่ยสำรวจดูเลยสำรวจดูกายสำรวจดูเวทนาสำรวจดูจิตไม่รู้อะไรโผล่เข้ามาเนี่ยดูเลยมันเป็นเราไหมอารมณ์เฉพาะหน้ามันเป็นเราไหมไอ้ตัวที่จิตไปรู้เป็นไม่ใช่เราแล้วตัวจิตตัวที่ไปดูเป็นเราไหมเรจะมาสังเกตจิตอีกทีหนึง่งบางทีไปดูแต่ข้างนอกก็ไม่ได้ต้องมาดูจิตด้วยตัวที่ไปรู้อารมณ์เนี่ยมันมีผู้รู้ แล้วก็มีสิ่งถูกรู้แล้วอะไรไปรู้ผู้รู้สิ่งถูกรู้นี่ล่ะมันมียินดียินร้ายมีไหมจิตนี่ยินดีร้ยายมีไหมมันมีสติแล้วมียินดียินร้ายไหมจะ ก, ก็มาดูว่าเออมันสามารถรู้อารมณ์แล้วเห็นผู้ที่ไปรู้อารมณ์นั้นไหมคือถ้าข้าจิตมันอยู่ข้างในอะ่ะถ้าเรามีการเคลื่อนไหวมันสังเกตการอย่างเงี้ยมันทาให้จิตนีกาลังมากขึ้นชัดเจนขึ้นจิตเรากาลังดูอะไรอยู่ ดูแล้วมีอะไรเป็นเราไหมแล้วอะไรดูอะไรเป็นสิ่งถูกดูอะไรคือผู้รู้ที่รู้ตัวอยู่อะไรรู้ตัวคล้ายๆกับเราหางานให้จิตทำอะ่ะจิตมันก็จะไม่อยู่เฉยๆมันก็จะคล้ายๆมันขยับตัวนี่เป็นวิทยะนะครับอาศัยสติสัมปัญญะอาศัาายความแน่วแน่ของจิตอาศัยปัญญาเห็นว่าไม่ใช่เราจิตก็จะหดตัวเข้าไปนี่ถ้ามันเห็นอย่างนี้มันจะหดตัวของมันเอง หดตัวเข้าไปเรื่อยๆคือปล่อยวางนั่นแหละเรียกว่าหดตัวก็ได้ปล่อยวางก็ได้เพอบางทีพู้เยาก็เปรียบเทียบเมื่อท่านเห็นขันห้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยจิตมันจะหดตัวแทนว่าเหมือนกับขนไก่ใส่ไฟยังไงมันต้องหดจิตก็เหมือนกันทําเองขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันต้องหดเองและกําลังมันพอมันจะตัดสินลงไปอย่างเร็วประหารจิเดสบรรลุมักก็คือจิตมันรวมเป็นหนึ่งเข้าไปเห็นอายสัตสีก็เห็นทุกข์ เห็นทุกข์เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีเราตัณหาก็เกิดไม่ได้เพราะความเป็นเราไม่มีตัณหาไม่มีที่เกาะก็คือความหลงก็ดับไปด้วยกันนั่นแหละแตตนามันออกโล่งอะ่ะเราเลยพูดถึงตัณหามากหน่อยไม่มีเราทุกข์ก็ไม่เกิดทุกข์ก็ดับไปจากจิตนิโรธนิโรธนิโรธะทุกขะนิโรธะทุกขะนิโรธาขาไม่มีปฏิปทาก็คือการปฏิบัติของเรานั่นแหละ นเห็นขันหน้าไม่ใช่ของเราเอาดูสุดท้ายแล้วนะจากนั้นก็ให้เราจะสอนอะไรสอนตัวเองก็สอนได้เลยนะสอนตัวเองโดยเฉพาะเราย้ำเลยจะพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าให้ยีขึ้นไปลุกจากตรงนี้ไปแล้วก็จะพยายามถือว่าเรากำลังปฏิบัติธรรม ทำอะไรอยู่ก็ตามถือว่าจะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าย้าบ่อยๆนี่จิตมันจะทำงานเองเลยนะเนี่ยคําอธิษฐานเนี่ยหมายว่าทำจิตให้แน่วแน่ความตั้งใจที่แน่วแน่จิตมันจะสร้างคุณสมบัติของมันเองมันจะสํารวมระวังมากขึ้นกว่าเดิมบางทีมันพอมันจะประมาทละเลยเอ้ยไม่ได้ไห น, นว่าเราจะทาทุกอย่างให้มันไปถือเป็นการปฏิบัติธรรมละ่ะ บางทีมันก็มีนะมันความอยากโม่มันละเอียดนะบางทีมันก็อยากให้ตามความอยากอ่ะเสียดายก็มีอ่ะเคยนะครูบาอาจารย์ไม่อยู่ไม่อยู่กับหมู่คณะที่อินทียอ่อนมันก็จะหานู่นหานี่มาตาหาอะไรมาขบมาฉันกันน่ะเท่าที่มันจะพอทําได้อ่ะไม่ผิดภาวินในแต่ว่ามันก็ยังอนุโลมตามกิเลสอย่างนี้มันทําให้จิตอ่อนแอทีนี้เหล่าตอนนั้นกำลังฝึกตัวเองอยู่น่ะมันเห็นแล้วพวกนี้มันก็ไม่ทําำมันก็ เราไม่เอาทีนี้พอเห็นคนอื่นเอาบ้างอะไรบ้างมันเสียดายนะหมายมันน่าจะปล่อยอิสระบ้างดูสิมันหลอกเราอะ่ะอิสระแต่มันตามกิเลสแต่กิเลสมันข้อบหัวอยู่อะ่ะแต่มันอยากเอาอิสระตามกิเลสโอ้โหขนาดนั้นนะมันต้องได้ต่อสู้กับตัวเองมากเหมือนกันคนปฏิบัติเนี่ยถ้าอยากจเจริญก้าวหน้านะ นลังจากนั้นก็ย้ำกับตัวเองนะข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปคอยข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจง้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกในวตาสงสารด้วยเถิดปล่อยวางทุกอย่างให้หมดจดเลยนะจากนั้นก็แผ่เมตตาจิตนะฝึกจิตเราให้มีเมตตาตอนแรกก็เอาเอาเบื้องต้ น, นสเพสตาอะไรก็ได้ แต่ถ้าคนที่มีสมาธิแล้วมันลึกซึ้งแล้วนะ ม, นมันมันออกไปจากจิตเลยอนะแค่มีเจตนาจะปัตนาดีปับ๊บมันอยู่ในสมาธิมันจึงได้กว้างขวางประมาณไม่ได้แล้วก็อุทิศบุญด้วยมีคนถามเลยเอา้าแล้วแผ่เมตตาอุทิศบุญ ต, ต่างกันยังไงบอกอุทิศบุญแผ่เมตตาก็เหมือนกับว่าเอออยากให้เขามีความสุขกับเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่อุทิศบุญเหมือนกับให้อาหารเขาช่วยเขาพอมีสัตว์บางประเภทเขาได้บุญปั๊บ เขาหิวก็อิ่มขึ้นมาเขาไม่มีเสื้อผ้าก็บุญก็ไปเป็นเสื้อผ้าของเขาเนื้อหนังเขาไม่สมบูรณ์มันบกมันพร่องก็เต็มขึ้นมาเนี่ยแบุญมันไปทดแทนสิ่งที่เขาขาดแคลนอะ่ะเพราะนั้นเราก็เลยต้องอุทิศบุญเราตั้งใจอุทิศบุญนะ